วิธีศึกษามีอย่แปดลักษณะได้ว่ามักมีองค์แปดเป็นทางดำเนินด้ถึงซึ่งปาพุทธราธรรมระสงสมบูร็์ทั้งแปดอากนี้ลวงกันเป็นหนทางอยู่ในการในใจเรานี้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 มีสติก็ป้องกันแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาไม่ความไม่ดีมีติก็ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาทั้งแก้ไขทั้งป้องกันมีสติมันก็มั่นคง <c oughs> มันก็เป็นทั้งอดีตเป็นทั้งอนาคตเป็นทั้งปัจจุบันนี่คือของจริง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 เย่อ묵หว่าอะไรภาษาวาี น, นะภาษาไทยเร ว, ว่าคู่มันก็เห็นอย่างนี้เช่นเห็นเกิดต้องมีไม่เกิดเห็นเจรต้องมีไม่เจรต้อ่ เ, เจรต้องมีไม่เจบต้องมีไม่เจรต้องมีไม่เจต้องมีไม่ต้องมีไม่เตายามงมีไเรต้งมต้องมีไม่รต้องมีไม่หลง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 ถ้าทั้งหลายมีปัญญามีเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ของลาที่เรียนมาทํางานได้สําเร็จแน่มีบุญมีวาชนาะบารามีหัดมาแล้วแล้วก็ทําเป็นสิทธิทเราหัดมาหัดชีวิตมาด้วยมือด้วยกายด้วยใจของเราเนี่ยมันทําไมจะไม่เป็น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 สองอริยสีอริสัจสี่ใช่ไหมเห็นไม่เป็นเห็นเห็นทุก์ไม่เป็นทุกข้นจากทุก์นี่อริยสีอริสัจสี่เห็นทุก์ไม่เป็นทุกข้นจากทุก์มันเห็นแล้วมันไป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 ไม่ใช่สั ต, ต, ว, ต ว, ว์ปกติโตตนเราเขานี่พูดทเจ้าเฉลยไว้ให้แล้วสะดวกแล้วแม่นวมาเรายังไม่หลงตัว<อ>ก็ให้ให้ให้เห็นกระเสเอาไว้ผู้ฝึกสติมักจะเห็นกระเสหเห็นเวทันาเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นแะ มันเกิดจากกาจากใจเนี่นก็สึกว่าเวทนาไม่ใช่ไม่ใช่ไชปยอมมันมันต้องมีแน่นอนมีเจมีเจ็บมีตายในเจ็บเป็นเจ็บในตายเป็นตายมันใช่เห็นมันเจ็บ ไม่เป็นผู้เก็บพู้จากความเจ็บอันหนึ่งเห็นแล้วก็ยิ่งใหญ่มีมีชีวิตนะมีการเกิดเจ็บเตายไม่มีชีวิตชีวิตเพื่อไปรับใช้ความเจ็บความเจ็บความตายอันนั้นเรยกว่าไม่ใช่ชีวิตเราจะมาหัดเนี่ย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 สุกก็สุขทั้งกายทั้งใจทุกข์ก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจเหมือนไม้แช่น้ำเหมือนไม้ไผ่ชีช้แชด้าอยู่ในสระแบบไหนนั่งอยู่ที่ต้นโพนี่ด้เปียพกพองก็ออกจากขึ้นมาบนโกแล้วแต่ยังเปียกอยู่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 ยังมีไหมนี่เกณฑ์ชีวิตของว่างก็พลากออกมาในอะไรที่มันจะไปทุกข์ไปทุกข์ไปคิดไปโกรธไปรักไปชังก็ย่อมคิดถึงเช่นคนมีลูกก็คิดถึงลกูกคนมีเมียคิดถึงเมียคนมีแฟนก็คิดถึงแฟนคิดถึงอดีตที่ผ่านมาในการเก่า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 ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นผงก็อโลจอกเกณฑ์ชีวิตเรามีไม่นานอีเกิดยานขึ้นใหมนะ่มันเป็นยังไงเมื่ออดีชั่วโมงก่อนนาะทีก่อนเป็นงไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมาเกิดอะไรขึ้นต่างเขาไหม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 อยู่เฉยแ้จะมาทุกข์มันไปใช่มันไม่เห็นก่อนจึงสุขจึงทุกข์จึงโกรธจึงโลภจึงหลงจึงรักจึงจังอะไรเป็นเหตุเห็นจอมาทิฏฐิมาทิ่ฐิอะไรเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่าเห็นทุกข์นานา เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นวิธีดดาทุกข์กเห็นห น, นทางที่ดำเนินอกแก่ทุกข์มีเท่านี้มีเท่านี้ทิศดีชีวิตเรามนจ่าขบรีเจ้าในหลักดิฉันสี่เป็นทิศดีที่สำเร็จมานานแล้วสองพันกว่าปีแล้ว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 แต่ไหมไปอยู่กรุงเทพมาสอนนักศึกษามหาอะไราเกษตราตร์ากช่องแต่ไหม่ห้ารอยสิบแปดแต่ปีนั้นจำพรษากรุงเทพแต่นิวนมาคนจกกักรพันเป็นคนขับนะเดี๋ยวนี้ยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้คุณวีโลดสิดิอั์นั่งมาด้วย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 ไอ้บนไหนก็สู้มันไม่ได้มีแต่สติเท่านั้นแหละเห็นมันเนี่ยมันมาถาะแต่ก็เห็นมันเน่ยมีสติก็ไม่ยากไม่ใช่อดละอดนอนไม่ใช่หนีเข้าหลงเข้าป่าที่ไหนหัดเนี่มันลุยสักหน่อยก็ดีเนะืมถ้าทายมันดูสักหน่อยเนาะนะนะถ้าทายดูสักหน่อย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 จ้างคนตามด่าเรายังไม่มีใครมาด่ายังไม่มีใครเลยเรายังคิดในใจนอนอยู่ก็ยังคิดเปาะบางเกินไปนอนอยู่คิดจนนอนไม่หลับแค่นี้หรือชีวิตเราเราเจงต้องไหนคิดขก้นมากินไม่ได้น้าตาไหลเป็นโุกเป็นทุกข์ชีวิตมันเปาะบางสอกเกินไป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 ก็ยกจากน้ำขึ้นมาวางหัวเหลือหางกตตระดิ๊บแต๊บลายไปแล้วใจสอบป่าน้าเชมป่าน้าจืด น, นี่เอามาวางกระดานนนีหัวเหลือเ็มก็โดดลงน้ำไปเลย <laughs> มันไม่มันก็ต่างกันนะแล้งชีวิตเราเนี่ยจะเป็นป่านทะเลกันเหรอคิดก็สศกคิดก็ทุกขนะ์ัหคิดก็น้อยไมเราับมีบ้างไหม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 นอนตาไปดูคนรถชนพอไปรองพยาบานาก็พูดดีไม่มีตรงไหนหักขาไม่หักพะนอนคุยไปคุยมาปวดท้องพ่อพอุจึกปวดท้องพ่ อ, พอแป๊บเดียวแน่นเะอาอกพ่อหงายเข้ไมไปได้แล้วพ่ อ, พอแป๊บเดียวตายเลยตับเอ๊อ ว่าพี่เชื่อตับแตกน่าจะแตกนะคนอ่อนแออย่างคนหลงหนึ่งลงต่อไปยกก้อนหินไปวางวางเถงะลงได้สาอ้อต่อโอไม่ไหวอะไรไม่ทำเลยเนี่ยให้อย่าไปโหมเกินไปทำงานทำงานนะรู้จักหลับจักนอนอย่าไปครื่องเครียดเกินไปจักคลายใจวางไม่เป็นอะไร เอาจริงเอาจันกับโลกันแว่าอย่างนี้สะสมฝนใช